ไมต้องแปลกใจ ไมิ All oh, n o สงสัยนั่นคือความสิ้นใจใจะพรอมแต่คน จริงใจจะพอมจะใครบงคนคนที่คุณก็รู้วใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจาได้ไหมเคยง